3. อนิยตะกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในอนิยตะกัน 21. พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปฐมอนิยตะสิกขาบทณนะที่ไหนทรงปรารบใครเพราะเรื่องอะไร ในปฐมอนิยตสิกขาบทนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปนณะบัญญัติสัพพถธบัญญัติปเทสะบัญญัติสาธารณะบัญญัติอาสาธารณะบัญญัติเอกโตบัญญัติอุพัโตบัญญัติอยู่หรือบรรดาปาติโมกขุเทศห้าอุเทศปฐมอนิยตสิกขาบทนั้นจัดเข้าในอุเทศไหน